หัดให้มากกว่าหัดขอลูกรักคำที่ท่านว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ขอย่อมเป็นที่รังเกียจเป็นความจริงทีเดียวนะลูกดูตัวเราก็ได้หากมีคนมาขออะไรเราครั้งแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอมาขอบ่อยๆเข้าแม้ว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบใจแต่ตรงกันข้าม หากใครเอาอะไรมาให้เราบ่อยๆเรากลับชอบแม้ของนั้นจะเล็กน้อยไม่มีราคาค่างวดอะไรมากนักเราก็พอใจตามในนี้หากลูกทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าผู้ขอได้ลูกก็จะเป็นที่รักนับถือของผู้คนในที่นั้นๆเขาจะไม่รังเกียจลูกเลยลูกจะมีพวกพ้องมากเขาจะยอมรับลูก และบางทีเขาจะยกให้ลูกเป็นใหญ่เป็นผู้นำพวกเขาทั้งจะไม่ถูกข่มเหงรังแกจะมีคนช่วยเหลือเมื่อมีกิจจะไม่ถูกโดดเดี่ยวให้อยู่ตามลำพังที่ถูกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องคิดว่าเราจะให้อะไรเขาได้บ้างมากกว่าจะคิดว่าเราจะได้อะไรจากเขาบ้างเริ่มคิดเริ่มทำบ่อย นานเข้าก็จะเกิดความเคยชินจะช่วยอะไรคนอื่นจะให้อะไรคนอื่นก็ทำได้อย่างสะดวกใจไม่ติดขัดจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองคนที่คิดและทำได้อย่างนี้ละลูกที่จะได้รับผลอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นตรงกันข้ามหากทำตัวเป็นคนขี้ขอชอบรับมากกว่าชอบให้จะกลายเป็นคนใจแคบ เป็นคนเห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวชอบขออย่างเนี้ยจะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปหาพวกพ้องได้ยากแม้จะมีคนมาคบหาด้วยก็มีเพียงมาเพื่อผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นแต่จะหาความจริงใจด้วยไม่ค่อยได้ อย่าเพิ่งสิ้นหวังลูกรักทุกคนมีความหวังและต่างก็อยู่ด้วยความหวังทั้งนั้นแม้จะทุกข์เข็นอย่างไรก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งคงสมหวังได้ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้างหากยังมีหวังอยู่แม้จะรอคอยนานเท่าไรก็รอได้แต่ว่าจะสมหวังก็อาจจะเลือดตาแทบกระเด็นหากลูกหวังอะไรไว้ แต่ไม่ได้สมหวังดังที่คิดก็อย่าท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังเสียก่อนคนที่เขาสมหวังนั้นเพราะเขาไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้ถอยหลังเสียก่อนเดินหน้าไปหาความหวังเรื่อยไปเขาจึงสมหวังลูกคงเคยได้ยินมาบ้างคำพระที่ว่าคนเราจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนั่นแหละจริงแท้ละลูกเอ้ยความผิดพลาด ความล้มแล้วที่ประสบอยู่ไม่ใช่ว่าจะทำให้หมดหวังเสียทีเดียวตราบใดที่เรายังไม่สิ้นหวังก็คงจะมีสักวันหนึ่งที่จะสมหวังถ้าสิ้นหวังเสียแล้วก็จะหมดหวังโดยสิ้นเชิงพลาดแล้วก็แก้ตัวใหม่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่อย่างที่เคยบอกลูกมาแล้วว่าหากล้มแล้วต้องหกลุกพลาดบ่อยๆล้มบ่อยๆ แม้จะทำให้เจ็บตัวและท้อแท้แต่ก็ทำให้เราแกล่งขึ้นเมื่อแกร่งขึ้นแล้วต่อไปก็จะพลาดยากล้มยากตั้งตัวได้มั่นคงตั้งใจไว้ตั้งสติไว้ท่องคาถาว่าสู้สู้สู้ไว้ใจจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อใจเข้มแข็งแล้วร่างกายก็พร้อมที่จะสู้เดินหน้าสู่ความหวังได้เรื่อยไป สักวันหนึ่งก็ถึงจุดหมายปลายทางเองเมื่อเราก้าวไม่หยุดหากเรายังหวังและก้าวเดินเรื่อยไปฉะไหนจะไม่สมหวังเข้าสักวันหนึ่งละ่ะต่อสู้ไปเธอลูกเอ้ยจงใช้เงินอย่าให้เงินใช้ลูกรัก สมัยนี้ใครๆก็เห็นเงินเป็นพระเจ้ากันทั้งนั้นเพราะเห็นว่าเงินเป็นสิ่งบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้และก็ซื้อได้แม้กระทั่งใจคนคนทุกวันนี้จึงมุ่งหาแต่เงินกันทุกวิถีทางแม้จะต้องทำชั่วทำผิดแม้จะประกอบกรรมทำเข็นให้คนอื่นเดือดร้อนก็ยอมทำกันเพื่อให้ได้เงินมาโลกจึงร้อนแทบจะลุกเป็นไฟอยู่แล้ว เงินสําคัญก็จริงหรอกลูกแต่อย่าให้ความสําคัญแก่เงินจนลืมความดีลืมคุณธรรมและลืมข้อเท็จจริงเมื่อเราให้ความสําคัญแก่เงินมากไปเงินก็จะมาเป็นนายเราเมื่อเป็นนายเงินก็ใช้เราบังคับเราให้ทำโน่นทนํานี่ลูกดูตัวเองก็ได้เวลาเงินไม่มีลูกก็ไม่คิดอยากจะได้อะไรมากนักอยากได้อยากกิน อยากซื้อเฉพาะของที่จงเป็นเท่านั้นแต่พอมีเงินมากเข้าก็เริ่มอยากกินอยากใช้ของดีๆแปลกๆถูกเงินบังคับจนหัวหมุนไปโดยไม่รู้สึกตัวคนเราตอนไม่มีเงินเวลานอนพักผ่อนสบายทั้งคืนตอนมีเงินกลับไม่มีเวลาจะนอนพักผ่อนก็น้อยแม้จะหาเวลาทานอาหารให้สุขสบายก็ทั้งยาก ตอนมีเงินน้อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่พอมีเงินมากเข้ากลับไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นนี่แหละลูกเอ้ยเงินมันใช้เราเพราะเราไปหลงมันบางคนพอมีเงินเข้าก็คิดการใหญ่สั่งค้าคนบ้างเลี้ยงนักเลงบ้างทำตัวเป็นเจ้าพ่อบ้าง นอกใจคู่ครองของตัวเองบ้างเงินมันใช้ให้ทำทั้งนั้นหากไม่มีเงินเขาก็อาจจะไม่คิดทำอย่างนั้นหรืออาจทำไม่ได้ด้วยดังนั้นลูกอย่าให้เงินมาเป็นนายใช้เราเราต้องเป็นนายของเงินเป็นคนใช้เงินและใช้ในทางที่ถูกจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง การแก้แค้นลูกรักลูกคงเคยดูภาพยนตร์จีนกำลังภายในประเภทบู๊แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาโดยถือคติว่าแค้นต้องชำระท้ายที่สุดก็ได้รับความหายนะล้มตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเป็นเพียงภาพยนตร์แต่ถ้าคิดให้ดีก็ให้คติเราเหมือนกันคือให้เห็นว่าความแค้น และการแก้แค้นนั้นไม่ดีเลยซึ่งจะเป็นความจริงนะลูกเอ้ยความแค้นนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนถ้าลูกไปมีความแค้นกับใครหรือมีใครมาทำให้ลูกแค้นเคืองถึงว่าจะหนักหนาสาหัสอย่างไรถ้าทนได้ก็ทนไว้อย่าไปใส่ใจหมกมุ่นกับความแค้นนั้นนะักมันจะทำให้เราว้าวุ่นขุนเคืองจนไม่มีความสุขไม่มีความสงบ และก็เสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะความแค้นเป็นไฟมันจะเผาลนจิตใจและความคิดของเราให้ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาทําให้เราหมกมุ่นอยู่กับการคิดแก้แค้นนั้นเสมอเป็นตัวล้างผลเวลาและความสุขในชีวิตครอบครัวของเราแท้ทีเดียวลูกเอ๋ยใครมาทําให้เราแค้นปล่อยวางได้ก็ปล่อย ให้อภัยได้ก็ให้อภยัยใจเราจะได้สบายสุขภาพจิตก็ไม่เสียการคิดแต่จะแก้แค้นเพียงเพื่อให้หายแค้นเพียงเพื่อความสะใจนั้นน่ะบางทีก็ทำให้สะใจและเป็นสุขได้ชั่วครูชั่วยามเท่านั้นผลพวง ก, ก็จากการแก้แค้นที่จะตามมาอาจทำให้เราทุกทรมานตลอดชีวิตก็ได้ เช่นแก้แค้นแล้วต้องหลบหนีเข้าสังคมไม่ได้แก้แค้นแล้วตัวเองก็ต้องไปนอนอยู่ในคุกตารางเป็นสิบปี20สปีหรือว่าตลอดชีวิตดูไม่คุ้มเลยกับที่จะดับไฟแค้นได้นั้นอยู่ที่การให้อภัยอยู่ที่ปล่อยวางความแค้นไม่ใช่ยอยู่ที่การแก้แค้นเมื่อไฟแค้นยังไม่ดับ ก็หาความสุขสงบในชีวิตได้ยากนะลูกความถูกต้องลูกรักคนเราถึงยากดีมีจนอย่างไรถึงจะลำบากอย่างไรชีวิตก็ต้องดิ้นรนไปแม้จะนั่งบนกองเงินกองทองชีวิตก็มีทุกข์เช่นเดียวกัน คนยากจนคนมั่งมีล้วนมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละลูกเป็นแต่มีทุกข์กันคนละแบบเท่านั้นและทุกคนก็ต้องประกอบกิจต่างๆด้วยกันดีบ้างไม่ดีบ้างคละเคล้ากันไปแต่ขอให้ลูกจําไว้ว่าในช่วงชีวิตของเรานั้นอย่าทําแต่สิ่งเลวร้ายเป็นภัยแก่ตัวเองและก็สังคมตลอดไป ควรทำสิ่งที่ถูกต้องและควรรักษาความถูกต้องเอาไว้การทำสิ่งที่ถูกต้องและการรักษาความถูกต้องนั้นจัดเป็นความดีอย่างนี้แม้จะมีอุปสรรคและมีอันต ร, รายมากมายแม้บางครั้งจะถูกขัดขวางทำให้เกิดความท้อแท้หมดกําลังใจที่จะทำต่อไปก็ควรจะเสียสละตั้งสติตั้งใจให้แน่วแน่ ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เพื่อให้ความถูกต้องดำรงอยู่ให้สิ่งถูกต้องนั้นสำเร็จผลชั่วชีวิตคนเราแม้จะประกอบกรรมทำเข็นไว้มากแม้จะถูกสังคมประนามยามเยียดว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวหรือเป็นคนตำต้อยด้อยฐานะอย่างไรก<ๆ>็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง ได้รักษาความถูกต้องไว้ทำได้แม้ครั้งเดียวก็ยังนับได้ว่ามีความดีอยู่บ้างไม่ใช่เลวไปเสียทั้งหมดและหากสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่สูงค่าก็ยิ่งน่าสรรเสริญนักอาจถึงลบภาพความตําต้อยเก่าๆลงได้สิ้นเชิงดังนั้นขอให้ลูกจำไว้ก็แล้วกันเมื่อมีโอกาสทำสิ่งที่ถูกต้องได้ก็ทา แม้จะลำบากอย่างไรต้องเสียสละอย่างไรก็พยายามทำเข้าไว้เพื่อเป็นอภรร์ประดับกายประดับใจทำให้ใจเป็นสุขเมื่อได้ทำอย่าแ้งน้ำใจลูกรักเขาว่ามนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวก ลูกเองก็ต้องอยู่กับคนอื่นๆต้องมีพวกพ้องคอยช่วยเหลือเมื่อลูกอยู่กับคนอื่นลูกก็อย่าเป็นคนแล้งน้ำใจคืออย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวทำอะไรเป็นการช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ทาขอให้ลูกถือคติโบราณที่สอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นคตินี้ ท่านสอนให้เป็นคนดีมีน้ำใจอย่านิ่งดูดายโดยเห็นว่าถุระไม่ใช่คนแรงน้ำใจนั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลและทำประโยชน์อะไรให้แก่คนอื่นและสังคมไม่ค่อยได้ทั้งๆที่เป็นเรื่องเล็กน้อยและทำได้ง่ายแต่ก็ไม่ทำจะมุ่งแต่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็จะไม่ยอมเสียเปรียบใครส่วนคนมีน้ำใจนะ่ะตรงกันข้ามเลยลูก คือเขาจะเป็นคนไม่ตรหนีแรงช่วยอะไรเข้าได้ก็ช่วยแม้จะดูเสียเปรียบบ้างก็ไม่คิดอะไรมากมายเกิดเป็นคนอยู่ในสังคมนะลูกเราต้องฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้อย่าเป็นคนแลลงน้ำใจเช่นเห็นอะไรตกหล่นเกะกะขวางทางเดินเด็กเล็กผู้คนอาจชนอาจเหยียบเป็นอันตรายได้ก็หยิบคว้างทิ้งไปให้พ้นทางเสีย นี่คือความมีน้ำใจขับรถอยู่ตามถนนเห็นรถคันอื่นเข้าเลี้ยวเข้าซอยก็หยุดให้เข้าเลี้ยวไปเห็นคนกำลังเดินข้ามถนนก็หยุดให้เขาเดินไปก่อนนี่ก็เป็นความมีน้ำใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทำได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยนี่ลูกแต่ที่ไม่ทำกันเพราะแ้งน้ำใจใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ลูกเห็น หูเบาลูกรักเมื่อใดลูกได้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาคนลูกต้องระวังว่าอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากคืออย่าหูเบาหมายความว่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าตัดสินใจอะไรก่อนที่จะพิจารณาให้ถูกต้องถ่องแท้คําพูดแนะนำที่คนอื่นมาพูดให้ฟังนั้นต้องฟังหูไวห้หูใช้สติตะแกรงร่อนให้ดี โดยเฉพาะคำพูดของคนใกล้ชิดยิ่งต้องระวังให้มากเพราะผู้ใหญ่หูเบาต้องพังพินาศเพราะคนใกล้ชิดมามากต่อมากแล้วไม่ใช่ไม่ให้ไว้วางใจคนใกล้ชิดเพียงแต่เตือนให้ระวังเท่านั้นบางทีคนใกล้ชิดเราหรือคนมาเล่านั้นอาจจะมีแผนยืมมือเราไปกำจัดศัตรูของเขาหรือว่าไปยกย่องเพื่อนเขาก็ได้ หรือคนของเราอาจจะมีเรื่องกับคนอื่นแล้วมายืมมือเราไปทำลายเขาก็ได้คนหลักลอยลูกรักผู้ที่เป็นหัวหน้าคนหรือเป็นผู้ใหญ่ นอกจากไม่ควรจะเป็นคนหูเบาแล้วก็ยังไม่ควรเป็นคนหลักลอยด้วยที่ถูกควรยึดหลักและก็รักษาหลักไว้ให้มั่นคงหลักที่ว่านี้ก็คือหลักธรรมสองอย่างได้แก่คุณธรรมกับยุติธรรมผู้ใหญ่จะต้องยึดหลักนี้ไว้คือมีคุณธรรมยึดความถูกต้องเป็นหลักมิใช่ยึดความถูกใจโดยทำอะไรตามใจชอบเป็นหลัก แล้วก็มีความยุติธรรมยึดความเที่ยงตรงเป็นหลักไม่เอ็งเอียงเข้าข้างด้วยอำนาจอาคติผู้ใหญ่ที่ไม่ยึดหลักทั้งสองอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นคนหลักลอยมักจะถืออำนาจเป็นธรรมมีได้ถือธรรมเป็นอำนาจผู้ใหญ่เป็นหลักลอยจะได้รับความเคารพนับถือและความจริงใจจากผู้น้อยได้อย่างไร จะน่านับถือหน้าเคารพกรบาบไหว้ได้อย่างไรลูกควรคำนึงให้ดียึดหลักไว้ท่านว่าตายคาหลักดีกว่าเป็นคนหลักลอยนะลูกธาตุอารมณ์ลูกรักใจคนเรานั้นมักหุนหันพลันแล่นบ่มบาไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง เอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักจึงมักทำอะไรตามใจชอบทำตามอารมณ์หากทำบ่อยๆก็จะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นาธาตุอารมณ์ในที่สุดเมื่อเป็นาธาตุอารมณ์แล้วก็ถูกอารมณ์บงการอยู่ตลอดเวลาหาความสุขสงบในชีวิตไม่ค่อยได้คนที่เป็นอารมณ์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองเท่านั้นทำถูกคิดถูกคนอื่นผิด คนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้ไม่ยอมฟังใครหรือมักคิดว่าไม่มีใครทําให้ถูกใจได้เลยจึงต้องทํางานคนเดียวคนอื่นทําด้วยไม่ได้ไม่ถูกใจไปเสียนทั้งนั้นนิสัยอย่างนี้แหละลูกที่เรียกว่าเป็นาธาตุของอารมณ์เป็นนิสัยที่ต้องทิ้งให้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะหาความสุขสงบทางใจไม่ได้เลย จะมีแต่ความว้าวุ่นคุณเคืองตลอดไปทำใจได้ก็ไม่เดือดร้อนลูกรักเวลาเราเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดต้องทำให้เป็นอันดับแรกก็คือ ทำใจลูกเราต้องทาใจให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปคิดแก้ไขปัญหาต่างๆภายหลังบางเรื่องแค่พอทาใจได้เท่านั้นทุกอย่างก็จบถ้าเรายังทาใจไม่ได้ก็ป่วยการจะมาคิดแก้ไขปัญหาอาจจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งก็ได้วิธีทาใจก็คือตั้งสติให้ดีผ่อนคลายอารมณ์เครียดลงพิจารณาให้ท่องแท้ ทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดีสาวให้ถึงปมของเรื่องมองให้เห็นความจริงว่าเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นแก่เรามีเฉพาะแก่เราคนเดียวเท่านั้นหรือหรือว่าเกิดขึ้นแก่คนอื่นมีแก่คนอื่นเข้าด้วยคิดให้ถึงว่าคนอื่นเขาก็มีเรื่องมีปัญหาอย่างเราไหมหนักหนาสาหัสกว่าเราไ้ย เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกชีวิตใช่หรือไม่ถ้าเราคิดทบทวนให้ท่องแท้อย่างนี้ก็จะมองเห็นความจริงและเมื่อพบความจริงด้วยตัวเองแล้วก็จะค่อยๆทำใจได้เมื่อทำใจได้เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วเราก็จะสบายใจเพราะว่าเราสามารถแก้ไข ปัญหาได้ด้วยความคิดและก็สติปัญญาของตนเองลูกเอ้ยอันความทุกนั้นมันเกิดขึ้นในใจใจเราไปยอมรับยึดมันไว้ทุกจึงอาศัยใจเราอยู่อย่างสบายแต่ใจเราเองกลับเป็นทุกข์เพราะว่าไปแบกทุกข์ไว้จนหนักอึ้งถ้าใจเราไม่ยอมรับไม่แยแสและไม่แบกมันไว้ ใจเรานั้นก็จะเป็นทุกข์ได้อย่างไรการเลือกคบคนลูกรักการครบหากันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องคบหาเป็นเพื่อนกันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่คนที่จะคบหาด้วยนั้นจะต้องเลือกให้มากดูให้ละเอียด ดูนิสัยใจคอดูอารมณ์กิริยามารยาทเมื่อเห็นว่าดีจริงจึงค่อยคบหาเป็นเพื่อนหากว่าเขาบกพร่องไปบ้างจะคบหาเพียงรู้จักกันธรรมดาก็คงไม่เป็นไรการครบนั้นคนนั้นจะต้องรู้จักแยกแยะให้เป็นบางคน ค, รครบได้แต่เป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเท่านั้นคนบางคน ค, รครบได้เดินด้วยกันไปตามถนน บางคนคบได้แค่ประตูบ้านบางคนก็คบได้แค่ห้องรับแขกบางคนคบได้ถึงห้องนอนนอนได้กันได้ลูกจะคบใครชอบใครจะคบกันแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของลูกแต่ท่านเตือนไว้ว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นนั้นและว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวอับปรี ลูกพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันนะความผิดหวังลูกรักอันความผิดหวังนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการทำงานเมื่อมีความหวังก็มีสิ่งที่จะตามมาสองอย่างนั่นคือสมหวังกับผิดหวังเมื่อเราหวังอะไร ถ้าไม่ได้สมหวังก็ต้องผิดหวังแน่นอนผู้มีชื่อเสียงของโลกเช่นนักวิทยาศาสตร์นักดนตรีหรือว่ามหาเศรษฐีระดับโลกล้วนเคยผิดหวังกันมาแล้วทั้งนั้นแต่พวกเขาไม่เคยท้อเมื่อผิดหวังลุกขึ้นมาสู้มาลองใหม่จนได้รับความสําเร็จสมหวังขนาดคนสำคัญสาคัญเขายังเคยผิดหวัง แลคนธรรมดาอย่างเราเราจะสมหวังในทุกเรื่องได้อย่างไรหากลูกต้องผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้ลูกคิดถึงความจริงข้อนี้อย่าท้อแท้ใจอย่าประชดชีวิตและก็อย่าไปโทษคนอื่นต้องมุกมานะสู้ต่อไปทำต่อไปหาข้อบกพร่องผิดพลาดให้พบแล้วคิดแก้ไขไปลูกก็จะสมหวังในวันหนึ่งข้างหน้า ยาสเสน่ห์มหานิยมลูกรักคนไม่น้อยที่อยากได้ยาสเสน่ห์มหานิยมเพราะเชื่อ ว, ว่าจะทำให้ตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์และจะทำให้ธรรมาค้าขึ้นจึงแสวงหายาเช่นว่ากันความจริงยาชนิดนี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทุกคนแต่ว่าไม่รู้จักนำออกมาใช้ยาชนิดนี้เป็นยาสเสน่ห์ขนานแท้ สามารถผูกมิตรผูกใจคนไว้ได้ทำให้เขารักหลงไหลไม่จืดจางยาที่ว่านั้นก็คือความมีอัจยศัยนั่นเองคนที่มีอัตยศัยดีย่อมมีสเสน่ห์ในตัวยามหาสเสน่ห์นั้นประกอบด้วยตัวยาก็คือทักทายเขาก่อนยิ้มแย้มเมื่อพูดกับเขาแสดงความเอื้อเฟื้อที่จะช่วยเหลือสนใจเรื่องที่เขาพูด ที่เขาทำพอสมควรกิริยาอย่างนี้แหละที่เรียกว่าความมีอัธยาศัยใครทำคนนั้นก็ย่อมมีคนนิยมนับถือมากผู้ที่ไม่มีอัธยาศัยหรืออัธยาศัยไม่ดีก็จะมีแต่ศัตรูมีแต่คนเกลียดชังไม่อยากให้ความช่วยเหลือว่ามีอัธยาศัยดีเท่ากับมีญาสเสนมหานิยมในตัวแล้วลูก ไม่ต้องไปเสียเวลาหายาชนิดนี้ที่ไหนแล้วความสุดจริตลูกรักเวลานี้มีสิ่งที่หาได้ยากยิ่นขึ้นทุกวันในโลกของเราเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรสิ่งนั้นก็คือความสุดจริตในทุกวงการในทุกสังคมต่างก็ต้องการ แล้วก็สแสวงหาความสุดจริตกันทั้งนั้นแต่ความสุดจริตก็ยังหาได้ยากเต็มทีเมื่อหาได้ยากความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นทุกย่อมยญาความหวาดระแวงความเอารัดเอาเปรียบกันจึงระบาดไปทั่วทุกขนทุกแห่งสำหรับคนที่มั่นอยู่ในความสุดจริตนั้นต่างก็ต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่อย่างไม่สบายใจนัก ต้องถูกกระแนงกระแนก้าวร้าให้หมดกําลังใจไปเรื่อยๆโดยไม่มีทางตอบโต้คนสุจริตบางคนก็ทนสภาพไม่ไหวต้องยอมเป็นหมาหางด้วนไปกับเขาด้วยอย่างน่าเสียดายคงเหลือแต่คนที่จิตใจมั่นคงจริงๆเท่านั้นจึงจะครองความสุดจริตไว้ได้คนอย่างนี้แหละลูกเอยที่น้ายกย่องอย่างแท้จริง ไหได้เต็มมือนับถือได้เต็มใจแต่ก็หายากเสียจริงๆขอให้ลูกยึดถือคนอย่างนี้เป็นแบบเธอแม้เขาจะดูด้อยศักดิ์ศรีดูสมมาซ้อและยากจนแต่ก็มีศักดิ์ศรีสูงทรงเคารพนับถือได้สนิทใจแท้จริงความสุดจริตนั้นเป็นเกราะป้องกันตัวเราได้คือป้องกันเราไม่ให้ตกไปในบ่วงแห่งความชั่วทุจริต มิให้ตกอยู่ในวังวนแห่งความเลวร้ายในสังคมทำให้ปลอดภัยจากการถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าถูกลงโทษผู้มั่นคงอยู่ในสุดจริตธรรมย่อมได้รับความนับถือจากคนทั่วไปลูกไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องหวาดระแวงทำมาหากินอะไรก็ทำได้โดยเปิดเผยความสุดจริตเป็นเหตุให้เราเป็นอยู่อย่างมีปกติสุข ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครความสุจริตดีอย่างนี้นะลูกจึงควรยึดถือว่าให้มั่นแม้จะต้องฝืนใจและอดทนประพฤติก็คุ้มภัยสามอย่างลูกรักผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันมาว่าคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว หรือกำลังตั้งหลักฐานจะต้องระวังภัยสามอย่างคือระวังไฟไหม้ระวังน้ำท่วมและระวังผีหลอกความจริงท่านสอนเป็นปริศนาเข้าไว้มีใช่ให้ระวังไฟระวังน้ำหรือระวังผีธรรมดาปริศนาที่ว่าไว้คือไฟก็หมายถึงบุรีน้ำหมายถึงสุราผีหมายถึงการพนันลก ท่านให้ระวังไฟคืออย่าสูบบุหรีระวังน้ำคืออย่าดื่มสุราระวังผีหลอกก็คืออย่าเล่นการพนันภัยทั้งสามอย่างนี้นบั่นทอนอนาคตของคนนะลูกเพราะว่าเป็นเหตุให้เสียเงินทองโดยใช่เหตุแม้จะดูไม่มากแต่ถ้าเสียทุกวันเงินทองที่หามาได้ก็หมดไปโดยไม่จําเป็นทุกวันจึงทาให้ตั้งตัวได้ช้า หรืออาจจะไม่ได้เลยน้ํำที่ซึมออกจากองรั่วแม้ว่าจะดูไม่มากแค่ซึมอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันไม่นานน้าก็หมดองได้ฉันใดเงินทองที่ไหลออกโดยไม่จำเป็นทุกวันในไม่ช้าก็หมดได้ฉันนั้นภายสามอย่างแม้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้เสียผู้เสียคนหรือว่าเสียอนาคตได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องกล่าวให้ครบสามอย่างเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังยินดีให้ภัยเหล่านี้เข้ามาครอบงำทำลายตัวเองทำลายอยู่ได้ทุกเมื่อเชื่อวันโดยไม่รู้สึกตัวหรือบางคนอาจรู้สึกตัวแต่ว่าถอนตัวไม่ได้ปล่อยให้เป็นทาสของมันไปต้องเหนื่อยยากหามันมาปรนเปรยชีวิตช่างหน้าอนาถนักแล้วลูกเอ้ย ลูกทราบอย่างนี้แล้วขอให้ระวังภัยสามอย่างนี้ให้ดีก็แล้วกันภัยจากบุรีลูกรักเมื่อพูดถึงโบรีแล้วย่อมทราบกันดีอยู่ว่าเป็นสิ่งมีพิษในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มรังเกียจ ไม่ยอมให้ใครมาสูบบุหรี่กันตามใจชอบเหมือนเมื่อก่อนถึงขับออกกฎระเบียบห้ามสูบบุหรี่ในที่บางแห่งซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนอื่นข้อนี้ก็ทําให้คนสูบบุหรี่เดือดร้อนพอสมควรนะลูกคนที่ไม่สูบบุหรี่เห็นว่าคนสูบบุหรี่ผู้ก่อพิษภัยให้แก่เขาแต่คนสูบเห็นว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของเขา ดังนี้จึงสมัครใจสูบกันอยู่ทั้งที่รู้ถึงโทษและพิษภัยของมันดีทั้งที่ทราบว่าบุรี่เป็นตัวผลานเงินทองแบบผ่อนทรงทำลายสุขภาพแล้วก็จะทุกทรมานก่อนตายแต่ก็ทิ้งมันไม่ได้เพราะติดเสียแล้วลูกเองก็อย่าให้บุรี่มาทำลายลูกได้หากยังไม่ติดก็อย่าริอ่านไปติดมันเข้านะลูกถ้าติดก็พยายามเลิกให้ได้ การไม่ติดบุหรีเนี่ยทำให้มีอิสระและก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่เสียบุคลิกด้วยนะลูกพวกบางช่างยุลูกรักสังคมเราทุกวันนี้มีคนประเภทหนึ่งที่ชอบพูดจาทำให้ผู้อื่นทะเลาะ ก, กันหรือแตกแยกกัน มันเป็นความสุขของเขาที่เห็นคนอื่นหัวปั่นไปตามป่าของเขาได้โบราณจึงเรียกคนอย่างนี้ว่าพวกบางช่างยุคือคนที่นําคําพูดของคนนี้ไปบอกคนโ น, น้นนําคําพูดของคนโน้นกลับมาบอกคนนี้พร้อมทั้งต่อเติมเสริมแต่งเนื้อหาให้น่าเชื่อเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ว่าไป คนที่เชื่อคำพูดของคนประเภทนี้ก็มักทะเลาะกันเข้าใจผิดกันเกลียดกันไปเลยก็มีทั้งที่ความจริงต่างฝ่ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยแต่คนสอดเสียดทำให้วุ่นไปเองจึงต้องระวังคนชนิดนี้ไว้ให้มากอย่าไปหลงคารมใครง่ายๆทำหูให้หนักฟังหูไว้หูเป็นดีที่สุด ใครจะมาเล่าเรื่องคนโน้นคนนี้ให้ฟังก็ฟังไว้เฉยๆไม่ควรไปต่อความยาวสาวความยืดหรือเก็บเอามาใส่ใจเราจะพ้อยบ้าไปด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือระวังตัวเราอย่าให้กลายเป็นคนสอเสียดหรือเป็นบางช่างยุซิเองก็เท่านั้น ความดีความชั่วลูกรักเมื่อเราต้องการให้ชีวิตเราดําเนินไปได้ด้วยดีมีผู้คนนับถืออยู่เย็นเป็นสุขในสังคมโดยที่สุดต้องการให้ครอบครัวเราสงบอบอุ่นก็จําเป็นต้องทําตัวเราเองให้ดีไว้ก่อนเราจะทําให้ดีได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรดีจึงจะทําได้ถูกต้องทํานองเดียวกัน เราต้องรู้ว่าอะไรชั่วด้วยจะได้ไม่ทำเรื่องดีชั่วนี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตอะไรดีอะไรชั่วต้องแยกแยะให้ออกแยกแยะให้เป็นถ้าแยกแยะไม่ออกจะทำให้สำคัญผิดไปได้นะลูกคือเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีไปซึ่งก็มีอยู่มากที่เห็นอย่างนี้จึงทำให้หลงผิดไปทำให้ชีวิตต้องผันแปรไป ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นถึงล่มสลายไปก็มีนะลูกทำให้ผู้คนรังเกียจที่จะคบหาก็มีมากอันที่จริงความดีความชั่วคนดีคนชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วอยู่ใกล้ชิดกันมากบางทีอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเสียด้วยซ้าแต่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเหมือนเหรียญสองหน้า แม้แต่ละหน้าจะอยู่ใกล้ชิดติดกันและอยู่ในเหรียญเดียวกันก็ไม่ปนกันเข้ากันไม่ได้ดีชั่วก็เช่นเดียวกันบางทีแยกแยะแทบไม่ออกแต่ก็ต้องพยายามแยกแยะให้ออกไม่อย่างนั้นจะเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีไปการเห็นอย่างนี้โบราณเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวลูกเพราะว่าแยกไม่ออกว่ากงจักเป็นอย่างไร ดอกบัวเป็นอย่างไรช่วยเหลือตัวเองลูกรักการช่วยเหลือตัวเองเป็นเรื่องดีลูกควรพยายามทำอะไรด้วยตัวเองข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่อยู่ส่วนตัว ถ้าซักล้างทำความสะอาดด้วยตัวเองได้ก็ควรทาการหุงหาอาหารการไปไหนมาไหนและแม้แต่งานต่างๆถ้าทำได้เองก็เป็นการดีลูกฝึกให้เป็นข้าไว้ก่อนเมื่อตัวเราเป็นแล้วต่อไปก็ใช้คนอื่นทำให้คนอื่นรับภาระไปก็ได้ขอให้เราทำเป็นไว้ก่อนหากเมื่อใดไม่มีคนจะมาทำให้เรา เราก็สามารถทำของเราได้เองช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเดือดรอ้อนนั่งรอนอนรอให้คนอื่นมาช่วยการช่วยตัวเองได้นั้นเป็นการแสดงถึงความสามารถขั้นพื้นฐานของคนเราแค่ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปช่วยคนอื่นก็ได้อย่างไรคนเราจำเป็นต้องฝึกฝนทำอะไรด้วยตัวเองไว้ก่อนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องกิ จ, จวัตรส่วนตัวหาไม่แล้วจะต้องยืมจมูกคนอื่นมาหายใจอยู่เรื่อยการยืมจมูกคนอื่นมาหายใจนั้นย่อมสะดวกเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นหากไม่มีจมูกคนอื่นมาหายใจและจมูกตัวเองก็หายใจไม่สะดวกผลที่ตามมาก็คือตัวเองนั่นแหละจะต้องเดือดร้อนแล้วก็หงุดหงิด การช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้ทางพระเรียกว่าพึ่งตัวเองท่านสอนว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคือพยายามพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งแต่คนอื่นเพียงอย่างเดียวลูกเองก็ต้องพยายามทำอะไรให้เป็นเข้าไว้พึ่งตัวเองให้ได้ไม่ไหวจริงจริงจึงค่อยไปพึ่งคนอื่นแล้วก็อย่าไปพึ่งเขาทุกเรื่องแล้วลูกก็จะโต และยืนหยัดอยู่กับโลกได้ทุกร <t ry> ูปแบบเลยลูกการบริหารเวลาลูกรักเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยหมดแล้วก็หมดเลยแต่เวลาที่ผ่านไปนั้นมันไม่ได้ผ่านไปเฉย มันได้พาเอาชีวิตของเราล่วงการผ่านไวัยไปด้วยคือชีวิตของเราก็ล่วงเลยไปทุกเวลาเดินหน้าทุกเวลาไม่ถอยกลับคนฉลาดเขารู้จักคุณค่าของเวลารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้ได้ผลคุ้มค่าอย่างที่ชอบพูดกันว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละลูกในบางครั้งหากเราไม่รู้จักคุณค่าของเวลา หรือบริหารเวลาไม่เป็นเวลาที่ผ่านเลยไปนั้นก็อาจจะเป็นความสูญเสียโอกาสอันสำคัญในชีวิตที่เราเพิ่งได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าก็ได้แต่เราก็ได้ผ่านไปเฉยๆอย่างน่าเสียดายทุกคนมีเวลาและได้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวันเป็นเดือนก็ได้รับจานวนเท่ากัน ไม่มีใครได้เวลาเป็นพิเศษกว่าใครจึงขึ้นอยู่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาและบริหารเวลาได้ดีกว่ากันผู้ที่ใช้เวลาเป็นและบริหารเวลาได้ดีก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้มากกว่าคนอื่นเวลามีค่าจึงควรใช้ให้คุ้มค่า และใช้ให้เกิดคุณค่าแก่ตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในทางศาสนาท่านสอนไว้เสมอว่าอย่าให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เร่งทำสิ่งที่ควรทำเสี้ยแต่วันนี้ดังนี้เป็นต้นเท่ากับแนะนำให้บริหารเวลาให้เป็นนันเอง